ทีนี้พระองค์ก็ยกเอาอดีตชาติของพระองค์มาเล่าให้ฟังนี่ย น, นะจากสุทัศนสูตรแสดงว่าสุทัศนสูตรนั้นมีการแสดงหลายแง่ ม, มุมเนี่ยนะนี่ก็อีกแง่ ม, มุมหนึ่งที่พระองค์ตรัสช่วงหนึ่งที่เมืองสาวัตถีปกติแล้วการตรัสถึงสุทัศนสูตรหรือว่าเมืองกุสาวดีเนี่ยพระองค์จะต้องไปตรัตที่กุสินาราใช่ไหม กุศินาราก่อนจะดับขันปริณิพานเนี่ยพระองค์จึงยกมหาสุทัศนสูตรหรือมหาสุทัศนชาดกเนี่ยขึ้นมากล่าวตอนนั้นแต่ว่าตรงนีย้ยกมาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะซึ่งไม่ได้เล่าเต็ ม, มะนะก็มีการแสดงตั้งแต่พระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีอยู่แล้วซึ่งพระองค์เล่าว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเราตถาคตได้เป็นขติยราชได้รับมูรธาพิเศษแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย เราตถาคตผู้เป็นขติยราชขติยะนีแ้แปลว่ากษัตริย์นะนีราชก็คือราชาราชาแห่งกษัตริย์มันงั้นเถอะคือใหญ่กว่ากษัตริย์ที่ได้รับการอภิษเษกแล้วมีนคร 84% ดหมนี่พันนครมีกุสาวดีราชธานีเป็นนครเอกไอคําว่านครโบราณเนี่ยนะครคืออะไรคืออําเภอเห็นไหมนครของโบราณจริงๆอ่ะคืออําเภอของสมัยนี้ นเช่นนครขุขันนครสังขะนครนั่นนครนี่นะคืออำเภอนั่นเองเนี่ยนะครับประเทศไทยนี้มีกี่นครตอนนี้ถ้าเอาอำเภอมาวัดนะโอ้โหหลายพันอำเภอเพราะว่าในายอำเภอนี้ก็คือพ่อเมืองแลนะ้วใช่ไหมเพราะนั้นก็โอ้โหมีหลายหลายพันนะนะแล้วโลกนี้ทั้งหมดมีกี่นครแนละ้วตอนนี้นะับนับว่านับคือนครก็คืออำเภอนั่นแหละ พลพร้อมก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นพระราชาที่เป็นใหญ่ในนคร8ป0 0 0ื่นี่พันนครมีกุสาวดีราชธ า, านีเป็นนครเอกนะกุสาวดีราชธ า, านีก็คือนู่นกุศินาราน่นนะมีปร า, าสาท8ปดหม่นี่พันหลังมีธรรมะปร า, าสาทเป็นปร า, าสาทเอกประเทศไทยนี่มีปร า, าสาทกี่หลังนะเชียงใหม่นี่มีกี่ตึกนี่นกะรุงเทพมีกี่ตึกทั้งประเทศไทยนี่มีตึกกี่ตึกกันนะก็ปร า, าสาทก็คือตึกนั่นแหละ ก็เป็นชั้นๆอ่ะนะเช่นเจ็ดชั้นเนะวอร์เทตนี่กี่ชั้นนะร้อยกว่าชั้นนนั่นแหละประเภทตึกแบบนี้แหละเขาเรียกว่าปราศาสตร์ละ่ะนี่ก็มีตำหนัก8 4ด0ม่นสี่พันหลังมีพระตำหนักมหาพยุหะเป็นพระตำหนักเอกมีราชบลัง8ปดห0สี่ันบาลัง ทำด้วยงาสลับด้วยแก่นจันทแดงประดับด้วยทองและเงินลาดด้วยผ้าโกเชามีขนยาวเกินสีองค์คูรีลาดด้วยผ้ากัมพลขาวทำด้วยขนแกะมีขนทั้งสองด้านลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีดอกทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานสีแดงมีหมอนสีแดงทั้งสองด้านเรียกว่าบอลลังอย่างดีเลยนะบัลลังตัวนี้นอนก็ได้นั่งวินิจฉัยคดีอะไรก็ได้ทั้งหมด มีช้างต้นเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเชือกมีขชาพรทำด้วยทองเนี่ยนะมีธงทองคลุมศีรษะด้วยขายทองมีพญาช้างอุโบสถเป็นช้างทรงมีม้าแปดหมื่นสี่พันตัวมีเครื่องประดับด้วยทองคลุมหลังด้วยขายทองมีวลาหกอัศวราชเป็นม้าทรงเนี่ยนะที่กองพันศาตางไม่มีม้ากี่ตัวเนี่ย น, นะเคยผ่านๆเนี่ยโหแต่ละตัวนี่ใหญ่เหมือนกันเนะ มีเยอะไหมจ๊ะเรามีประมาณสี่สิบตัวนะของพันสัตว์ต่างเชียงหายนะแต่แต่เมืองไทยนี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีรถทรงอีกแปดหมื่นสี่พันคันีนะ่นะมีเครื่องประดับทมด้วยทองมีทงทาด้วยทองปกปิดด้วยขายทองมีเวชยันต์รถเป็นรถทรงนี่นะกนะ็ของประเทศไทยตอนนี้นะรถนี้ก็ เป็นล้านๆคันเนอนะถนนไม่พอจะใช้เลยนะก็บอกว่าถนนที่กรุงเทพนะถนนราชดำเนินใช่ไหมถ้าโบราณที่มันไม่มีรถนะก็บอกโอ้ยทำถนนทำอะไรววาใหญ่โตแล้วเกินเนะี่ยาตำหนิกันใหญ่เลยนะว่าสร้างถนนใหญ่เกินไปตอนนี้บอกไม่ค่อยจะพอใช้เลยถนนเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีรัตนะอีกแปดหมื่นสี่พันดวงมีแก้วมณีเป็นดวงเอกรัตนะก็พวกแสง คือเครื่องเครื่องที่มันทำให้เกิดแสงสว่างนะกลุ่มแก้วมานีก็คือถ้าถ้าเปรียบเทียบคุณลักษณะคืออะไรคือทีวีดีนี่แหละที่มันให้แสงสว่างได้ดูรูปได้หรือคือพวกหลอดไฟพวกนี้แหละนะลักษณะของไอ้แก้วมานีของที่ที่ที่เขากล่าวถึงสรรพคุณหรือคุ ณ, ณประโยชน์เนี่ยนะซึ่งสมัยนี้ก็เอามาใช้ได้เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว แล้วก็มีสนมนารีเนี่ยนสี่พันนางมีพ้านางพัฒาเทวีเป็นสนมเอกมีกษัตริย์8ดห0ี่ันองค์เนี่ยตามเสด็จมีปรินายกแก้วเป็นประมุขมีแม่โคนมเนี่ยม8สี่พันตัวมีผ้าทุกกูลพัดผ้าคลุมหลังมีภา ช, ชนะสำริดทำด้วยเงินสำหรับรองรีดนมมีภา 8, 000, พ8ด0 0 0สันโกดเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าเป็นคำว่า8ปด0 0ี่พันโกดเนี่ยนะคืออาัก เป็นพับๆอ่ะถ้าสมมติว่าผ้าหนึ่งผ้าเรียกว่าหนึ่งโกดเงี้ยนะก็คือผ้าเป็นพับนั่นเองไม่ใช่เป็นโกดผืนนะเป็นผ้าเป็นพับๆอ่ะมีผ้าเปลือกไม้เนื้อละเอียดเป็นผ้าไหมผ้าเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดเนี่ยนะคือผ้าแต่ละอย่างก็เป็นผ้าเนื้อดีแล้วก็มีพระสุพรรณภาพผ้าก็มาจากภาชนะนะก็คือสุพันณก็คือทองอ่ะ อาหารที่ใส่ถาดทองเลยแปดหมื่นสี่พันที่ซึ่งเจ้าหนะ้าที่ห้องเครื่องเนี่ยนําเข้าไปเทียบเช้ า, านะเย็นเนี่ยนะก็มีอาหารแปดหมืนสี่พันถาดเอาไว้เขาให้มีนะีอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยยกให้เลยแปดหมืนสี่พันสำรับเนี่ยนะจริงก็อิ่มเดียวแค่นั้นนะที่เรือนี่ก็โหเห็นแล้วก็ไม่เอาละ ดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายบรรดานคร8 000, นสี่พันนครบรรดาปราสาท8ดหี่พันปราสาทบรรดาตำหนัก8ดมสี่พันตำหนักบรรดาราชบลังแดมืสี่พันราชบลังบรรดาช้างต้น8ดมืสี่พันเชือกบรรดาม้าดสี่พันตัวบรรดาราชรถ8ดสี่พันคันบรรดาสนมนารี8ดนสี่พันนางบรรดาพระภูษานี่นะดมืสพันโกดคู่บรรดา พรสุพรรณภาพแปดหมื่นสี่พัน 8, 000, สำรับเหล่านั้นแลเนี่ยนะคือทุกอย่างเนี่ยใช้อย่างเดียวหมดเลยนะมันจะแปด0มื่นสี่พันก็ใช้อยู่อย่างเดียวเช่นอาหารเนี่ยแปดหมืนสี่พันสำรับก็ก็รับประทานอยู่สำรับเดียวว่างั้นเถอะก็มีแปดหมืตนสี่พันเียงใครจะไปนอนทุกเตียงเลยหรือไปนอนตรงไหนก็นอนอยู่เตียงเดียวนั่นแหละว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นอาหารนี่ก็ก็ก็ทานอยู่สำรับเดียวที่เราเสวย จุข้าวสุกพนานหนึ่งเป็นอย่างมากและกับแกงเนี่ยพอเหมาะแก่ข้าวสุกนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังขารทั้งปวงเหล่านั้นที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วนีนะคือตอนนี้นี่นะที่ถ้าใครที่ไปอินเดียมาจะเด้งนะกุศินาราเนี่ยตอนเนี่ยกุสาวดีย์นั้นเหลือไหมไม่เหลือแล้วเนี่ยนะถ้าประเทศไทยนี้กุศินารานี่พอจะเปรียบได้กับอะไรบ้าง เปรียบกับเมืองไหนดีนะตอนนี้นะที่ที่กล่าวมาเนี่ยคืออดีตของเมืองกุศินาราในโบราณนะตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วว่าเพราะฉะนั้นสังขารทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งปวงไม่ยั่งยืนไม่เชื่อฟังอย่างนี้แหละมีสังขารสักอย่างหนึ่งไหมที่เชื่อฟังดูก่อนพี่สูุทั้งหลายก็ความไม่เที่ยงนี้เพียงพอแล้วเพื่อจะเบอน์าย เพื่อจะคลายกำหนัดเพื่อจะหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงอ่ะนะํานวาฟังแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเพื่อความเบื่อนายก็ยกเมืองหนึ่งเมืองคือเมืองกุสาวดีมาทีนี้ตามสูตรนี้นะใครที่เรียนประวัติศาสตร์มาเยอะๆเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยกล่าวถึงความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของสังขารทั้งหลาย เพราะอะไรเพราะว่าสังขารในยุคนั้นๆในเมืองนั้นๆเนี่ยนะก็เสื่อมสิ้นสลายไปไม่มีเหลือเลยนะเช่นถ้าประเทศไทยเราเนะีเมืองสุโขทัยแบบโบราณเนี่ยนะมีอะไรเหลือบ้างอย่างเง้ย น, นะไม่มีอะไรเหลือนะไปก็มีแต่ซากเนี่ยนะคนในยุคนั้นที่ว่าใครขค้าค้าใครขาขายขายเป็นต้นเนี่ยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวอย่างนั้นเถอะนะแม้กระทั่งขออภัยนะกระดูกมีเหลือบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือผุไปหมดแล้วก็ไม่รู้เนี่ย แล้วเมืองลบบุรีที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะหรือเมืองอื่นๆอีอเอกเนี่ย ป, ประเทศไทยก็มีทั้งหลายเมืองนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยเจ็ดร้อยกว่าปีเนี่ยก็เปลี่ยนแม้กนระทั่งรูปที่รูปถ่ายสมัยก่อนๆ น, นะที่สมัยมีกล้องใหม่ๆนะกับตอนนี้ก็คนละเรื่องคนละราวไปหมดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหมดสังขารเนี่ยไม่มีจีรังไม่มียั่งยืนนะแต่งตัวแบบเรานะี่อีกร้อยปีมาดูนะก็บอกว่าโหยคนโบราณจังเลยนะ อีกร้อปีมาดูนะถ้าถ่ายรูปตอนนี้เอาไว้นะโอ้โบราณจริงๆเลยนะแต่มื่อว่ารถรถชั้นดีเมื่อสักยี่ปีที่แล้วมาวิ่งในท้องถนนตอนนี้นะบอกโอ้ใครเอารถโบราณมาวิ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนไปหมดอะ่ะสังขารเนี่ยมันไม่มีเหลือไม่มีจีรังยังย่งยืนอะไรเลยเหมือนกันเพราสังขารมันเป็นอย่างนี้นะก็ควรพอเอ่อเรียกว่าควรเพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยนะ ถามว่าที่พระองค์ตัดเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าภิกษุเนี่ยมาถา ม, ถามถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่ขันห้าที่มันเที่ยงไหมที่ที่ขันห้ามันเที่ยงหรือขันห้ามันเที่ยงเนี่ยมีไหมพระองค์ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าไม่มีหรอกไม่มีแล้วก็ยกเอาเมืองในในอดีตที่พระองค์เคยเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิคือพระเจ้ามาหาสุทธินะที่ปกครองเมืองกุสาวดีราชธ า, านีเนี่ย มาก็บอกว่าขนาดเมืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็กยังไม่จีรังไม่ยั่งยืนเนี่ยนะไม่ถาวรเมืองนั้นเนี่ยโหเป็นเมืองเมืองในฝันของคนอีกไม่ใช่น้อยเลยนะเมืองกุสาวดีเนี่ยเมืองที่ที่บุคคลต้องการมากเหลือเกินอันนั้นดูในสุทั ส, สุนทรนะชื่อมหาสุทธ ส, สุนทรจะมีกล่าวเรื่องเมืองนี้เต็มเล่ม13มนะเนี่ยมีอธิบายไว้กูเป็นเมืองที่ใครก็ต้องการฝ่ายฝันเนี่ยนะ แต่ก็ไม่มีเที่ยงรอกกันกนะ็ตึกเวอร์เทยังไม่เหลือเลยดับหมดเลยตอนนี้ทางการพิจารณาขันเน αι, ี่ยนะบางพวกนี้ก็เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะขันในอดีตอย่างสูตรนี้พระองค์จะไม่ยกขันในอนาคตและขันในปัจจุบันเลยทำไมเพราะว่าขันใน อดีตยังเป็นเช่นนี้นะอนาคตต่อไปเนี่ยนะใครจะสร้างอะไรหรือใครจะได้ขันอะไรก็ไม่เกินนี้เท่าไหร่ขันในปัจจุบันก็ไม่ได้ดีกว่านี้อะไรเพราะฉะขันเหล่านั้นยังไม่ไม่จีรังยั่งยืนเลยนะเพราะฉะนั้นขันทุกขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นขันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นขันในปัจจุบันขันไหนๆก็ควรควรเพียงพอที่จะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในทุกขันถามว่าทำไมจึงจึงควรแก่การเบื่อหน่ายในขันเหล่านั้น เพราะว่าขันเหล่านั้นนี่เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมแปลว่าไม่มีความมั่นคงไม่มีความท้าวรอยู่ในนั้นเลยแล้วก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยถามว่ามันเป็นใครแล้วก็เป็นของใครก็บอกทั้งไม่ใช่ใครทั้งไม่ใช่ของใครแต่ก็เป็นขันที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยนะถ้าสิ้นปัจจัยขันเหล่านั้นก็ดับ ถ้าการตัดที่จะไม่ให้ปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะดับขันอีกเนี่ยถือว่าเป็นสุขไหมเนยนะอันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะถามว่าถ้าขันทั้งหลายเกิดจากปัจจัยถ้าเข้าไปตัดตัดใจไม่ให้มีขันอีกเนี่ยเป็นสุขไหมเนนะก็บอกว่าถ้าถือว่าเป็นสุขแสดงว่ามีอัทยาศัยวิวัตตหรือมีอัธยาศัยในนิพพานถ้าบอกก็ก็ดีนะแต่ว่า รู้สึกไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะถ้าอย่างนี้ก็เราก็ยังไม่มีอัธยาสายเนี่ยนะก็ให้ขันมันสอนไปเรื่อยๆก่อนอนั่นนะอีกสูตรหนึ่งนะในทุติยะเออขออภัยในนาาักศึกขาสูตรซึ่งเนื้อหาก็จะคล้ายกันแต่ข้ออุปมาแตกต่างกันว่า ภิกษุรูปหนึ่งก็เข้าไปทูลถามพระองค์เหมือนกันว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญจะมีหรือไม่รูปบางอย่างที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปไม่มีความแปรปลุนไปเป็นธรรมดาจัดดำรงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายอันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในเดียวกันพระองค์ก็ตรัสตอบว่าไม่มีเลยภิกษุ รูปบางอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางอย่างเนี่ยนะที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปมีความไม่แปรปลุนไปเป็นธรรมดาจัดํารงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายเนี่ยมหาเหอะไม่มีรอกแางนั้นแล้วพระองค์ก็ใช้ปลายพระนาขาเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นนิดหน่อยเนี่ยนะก็เล็บเล็บพระเนี่ยก็ปกติก็เล็บไม่ยาวอยู่แล้วนะช้อนฝุ่นขึ้นมานะ รองก็ตรัส ก, กับพิสูนนั้นว่าดูก่อนพิสุไม่มีรูปแม้ประมาณเท่านี้เลยที่เป็นของเที่ยงยั่งยืนสืบต่อกันไปมีความไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาจัดดำรงคงอยู่อย่างนั้นนั่นเองเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนทั้งหลายดูก่อนพิสุพี่ว่า ถ้าจะได้มีรูปแม้เพียงเท่านี้ที่เป็นของที่ยังยั่งยืนสืบต่อกันไปมีความไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาแล้วไซา์ก็จกไม่ปรากฏการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความสิ้นทุกโดยถูกต้องแต่เพราะเหตุที่ไม่มีรูปแม้ประมาณเท่านี้ที่เป็นของที่ยังยั่งยืนสืบต่อกันไปมีความไม่แปรปลวนเป็นธรรมดาฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยถูกต้องจึงปรากฏเนี่ยนะ การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกเนี่ยมีได้เพราะว่ารูปไม่เที่ยงนี่แหละเนี่ยนะถ้ารูปมันเที่ยงนะไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาบําเพ็ญตรายกีขาอะไรรอกเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันนะทีนี้แต่ว่าความต่างกันในตอนท้ายของสูตรนี้ที่สูตรก่อนนี้พระองค์จะเอากุศาวดีราชธานีเป็นต้นเนี่ยมาเป็น ตัวอย่างเปรียบเทียบถึงเมืองในโบราณเนี่ยเมืองเหล่านั้นก็ไม่ได้จีรังยัง่งยืนบุคคลทั้งหลายสัตว์สิ่งของเข้าขอ ง, ขของเครื่องใช้ทั้งหลายที่มีในยุคนั้นเนี่ยไม่มีเหลือเลยเหมงอนกันอ่นนะนะสิ้นหมดเลยอย่าง น, นี้ก็เอาเอาเอ า, เอาทั้งขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยน้องเขมาพิจารณาเทียบกับกายนี่และแม้กายในปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงด้วยก็ไม่ได้มีความต่างกันอะไรเลยนะ เอาแบบเอาแบบรวมๆมาเลยทั้งเมืองด้วยทั้งคนด้วยทั้งสัตว์ด้วยทั้งสิ่งของอะไรต่างๆด้วยคือการพิจารณาต้องต้องพิจารณาทั้งหมดอยู่แล้วทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถึงความไม่เที่ยงนะต้องต้องพิจารณาทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวสู่ต่อไปจะกล่าวแม้กระทั่งแผ่นดินภูเขาต้นไม้ใบหญ้าเอามาพิจารณาหมดอะไม่เหลือเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ เรามันไม่เที่ยงอ่ะแต่ที่ดินเรามันเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นผีเฝ้าที่ดินนี่เหมือนกันเถอะคือก็คือคนนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี่นะมันจะยึดไปหมดแหละเหมงอนกันเถอะไม่ยึดภายในก็ยึดภายนอกอ่ะสรุปว่ามีที่ยึดนั่นแหละจึงต้องมานั่งตรงนี้นะครัไม่ยึดมีใครนั่งตรงนี้หรอกพื้นฐานน่ยไม่ยึดอย่างใดก็ต้องอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วนะน่นะไม่ยึดตาก็ยึดหูแล้วไม่ยึดหูก็ยึดจมูกไม่ยึดจมูกก็ยึดความคิดนี่แหละสรุปต้องมีที่เกาะจนได้นะ วิญญาณจึงเจริญงอกงามป่านนี้ใช่ไหมพอวิญญาณงอกงามอะไรอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเพราะฉะนั้นต้องมีที่วิญญาณเกาะจนได้นั่นแหละไม่เกาะรูปก็เกาะเวทนาไม่เกาะเวทนาก็เกาะสัญญาไม่เกาะสัญญาก็เกาะสังขารไม่เกาะสังขาร ม, มันก็เกาะความคิดอีกนั่นแหล ะ, ะนะก็ไปแปะๆอยู่แถวขันห้านี่แหละบางทีจิตอนะก็วนๆอยู่นี่แหละอันวิญญาณก็เลย เกิดขึ้น น, นะกรร ม, มวิญญาณเกิดขึ้นอย่างนี้ก็นั่นแหละสร้างปฏิสนธิกรร ม, มะเชะรูปต่อไปเถ อ, อะผู้ที่ศึกษาธรรมะนะตั้งสิ่งที่ควรคิดเอาไว้มากๆ น, นะจะได้ศึกษาประไตรปิฎกเข้าใจายอย่างหนึ่งคือเข้ามองชีวิตเมื่อเริ่มต้นที่ปฏิสนธินนะชีวิตที่ผ่านมาเริ่มที่ปฏิสนธิและจปะปฏิสนธิอีกอีกต่อไปเนี่ยนะต้องต้องไข่ครวนอันนี้ให้มากๆแล้วก็ ตั้งคำถามว่าทำยังไงจึงจะพ้นจากการปฏิสนธิอันใหม่นะถ้าตั้งคำถามอันนี้ตั้งโจทย์แบบนี้ไว้แล้วอ่านพระไตรปิฎกนจะเข้าใจไม่ยากเนีย่ยนะเพราะว่าเป็นเป็นคำตอบที่แก้ปัญหาอันนี้ว่าทำยังไงคุณจะเลิกปฏิสนธิเนี่ยนะนี่นี่คือเป็นเป็นการตอบคำถามอันนั้นเนีย่ยนะแต่ถ้าบอกเออปฏิสนธิมันก็ดีนะแต่อย่างนี้ก็ศึกษาเรื่องให้ทามยังไงจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากนะ อันทานที่เบื้องต้นให้แล้วก็ผ่องไสกําลังให้ก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ผ่องไสผ่องใสนะถ้ามีศีลด้วยตั้งความปรารถนาะเพื่อเป็นมนุษย์มหาศาลก็สําเร็จเหมือนกันแถอะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ก็ได้นี่นะตั้งความปรารถนาะเป็นเทวดาชั้นจาตุม้มชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตได้ทั้งนั้นเนะี่ขอให้เนี่ยให้ทานนะแล้วก็ มีกุศลศีลดีๆางนะถ้าอย่างนั้นก็สําเร็จนะต้องต้องไปฟังสูตรประเภทแบบนั้นแต่นี้ฟังทํายังไงคุณจะเลิกปฏิสนธิได้นะทำยังไงวิญญาณจะไม่มีอารมณ์ให้มันดํารงอยู่ปฏิสนธิมันจะไม่เกิดขึ้นนามรูปจะไม่อย่างลงอริยตนะจะไม่ก่อตัวขึ้นเนี่ยลักษณะเนี่ยคือคือที่กําลังฟังอยู่เนี่ยนะคือคล้ายๆว่าที่กล่าวนี้หมายถึงว่าเพื่อที่พระองค์จะแสดงให้ดูว่าอ่า ไออารมณ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยซึ่งเรียกว่าสังขารเนี่ยมันทำให้วิญญาณมันจเจริญขึ้นเนออไอ้นั้นมันก็ไม่ดีมันก็เลวคือในในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนะที่เป็นอารมณปัจจัยของจิตมันไม่ได้มีความมั่นคงสักอย่างหนึ่งเลยอะ่ะ ที่ที่เราไปวิญญาณเนี่ยทั้งวิญญาณที่เกิดร่วงกับโลภะนะจิตที่เกิดร่วงกับโลภะไปเพลิดเพลินในวัตถุทั้งหลายวัตถุอ น, นั้นไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกอารมณ์นั้นจะเป็นรูปอารมณ์ที่เป็นรูปหรืออารมณ์ที่เป็นนามก็ตามตัวอารมณ์เหล่านั้นนั้นเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงเลยแล้วจิตที่ไปไปไปไ ป, ไปมีสิ่งนั้นนั้นเป็นอารมณ์มันจะมั่นคงมาจากไหน เมื่อจิตที่ไปมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไม่มั่นคงแล้วกรรมอันเนี้ยที่มันนําเกิดแล้วมันจะมั่นคงมาจากไหนเมื่อกรรมนําเกิดนําปฏิสนธิต่างๆนะอายตนะเป็นต้นที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้มันจะเกิดความมั่นคงมาจากไหนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายอย่างนั้นถามว่าเบื่อหน่ายนี่ดีไหมถ้าเบื่อหน่ายในขันห้าก็คำของเราก็ต้องมาตั้งคาถามอันนี้ขึ้นมาใหม่เอ๊ะถ้าเบื่อหน่ายในขันห้าดีหรือไม่ดีสําหรับคนที่เอ๊ะ ไม่เห็นสนุกเลยถ้าหากว่าเบื่อมากๆขั น, นไม่ไเห็นนี่ก็ก็ถามว่าเบื่อนายในขันห้าดีหรือไม่ดีอ่า น, นะโจทย์อันนี้ก็ต้องมาถามใหม่เพื่อจะได้ทําที่เรียกว่าเจริญวิทยาสัมโพชงขึ้นมาเนี่ยนะถ้าธรรมะวิทยาสัมโพชงเป็นต้นเนี่ยเมื่อเจริญขึ้นมําเจริญยังไงถ้าไม่เจริญเพราะอะไรถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายยังไงถ้าเจริญแล้วมีคุณยังไงเนียพวกนี้จะต้องมาไค่ครวนกุศลให้มากๆเอากุศลมาวิจัยไข่ครวนให้เห็นคุณของ เรีเราวันเน่คัมมะนะถ้าใครที่อ่านธรรมะจะได้ยินคำว่าอนุปุพพิกถาธรรมะที่พระองค์แสดงโดยลำดับใช่ไหมอนุปุพพิกถาอนุปุพพะอนุปุพพิกถาเนี่ยคือแสดงธรรมะไปตามลำดับขึ้นต้นตั้งแต่ทานเนี่ยนะสองต่อด้วยศีลเพราะว่าผู้ให้ทาน จะมีผลมากเมียนิสงมากก็คือคนให้กับคนรับมีศีลทีนี้อานิสง์ของทานกับศีล น, นั้นทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เช่นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยสุคติโลกสวรรค์อ น, นะความสุขของมนุษย์ทั้งหลายความสุขของเทวดาทั้งหลายแล้วก็พูดโทษของสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมเป็นมนุษย์เนี่ยเที่ยงไหมเนี่ยนะเพราะผลบุญนี่แหละมาแก่ชาราอยู่ทุกวันนี่แหละ้เป็นเทวดาก็แก่ชราเอกับผลบุญอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะนี่คือโทษของกามทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าออกจากกา ร, รมเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงนะก็คือเนคขมมา ก, ก็คือกุศลจิตกุศลธรรมที่จิตเนี่ยน้อมกลับม้วนกลับจากการออกจากวัตถุกรรมเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพรงษ์ก็จะประกาศวันนี้นะทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยคือทุกทุกเหล่านั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดนะคือสมุทัยถ้าทุกขเหล่านั้นและสมุทัยตัดขาดอันนั้นแหละคือความสงบระงับดับทุกข์และด้วยอริยมรรคคือข้อปฏิบัติ เนี่ยนะตามที่พิจารณาทุกละสมุทัยทำนิโรอันนั้นให้แจ้งนั่นแหละองค์ ก, ก็ประกาศอริยสัจไปผู้ฟังเขาก็จะตรัสรู้อริยสัจกันในในตอนจบคือคนเหล่านั้นเขาเห็นคุณของของเน่ขมมะป่ะเนี่ยนะเห็นโทษของกามแล้วก็เห็นคุณของเน่ขมมะเหมือนอย่างว่าบุคคลที่อยู่ในฝั่งที่ที่โหดร้ายแบนั้นเถอะอยู่ในฝั่งที่โหดร้าย ต้องการจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่สงบเนี่ยนะผู้ที่กำลังจะข้ามเนี่ยนะถามว่าต้องเห็นคุณของอะไรก่อนต้องเห็นคุณว่าฝั่งโน้นนี่ดีจริงอย่างหนึ่งสองตัวเรือเนี่ยนะที่จะนำออกเนี่ยต้องต้องเห็นคุณของเรือใช่ไหมและสร้างเรืออันนั้นให้ดีอันนี้แหละที่ที่จะทำให้เราปลอดภัยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าคนที่ป่วยไข้เนี่ยมั่นใจว่าตัวยาอันนี้แหละที่จะช่วยให้ฉันหายโรคได้ การการศึกษาและการปฏิบัติธรรมก็ต้องลักษณะเดียวกันเวลาศึกษาเวลาฟังเวลาอ่านเวลาไข้ครวญพิจารณานะต้องเห็นคุณของกุศลจิตอันนั้นว่ากุศลจิตอันนี้แหละที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่ากุศลมันยังไม่ทันเกิดเลยนะกุศลก็ไม่เที่ยงแล้วจะทําทไงต่อไปอ่สมมุติถ้าขึ้นมาเลยนะเออเนี่ยสติก็ไม่เที่ยงตัญยาก็ไม่เที่ยงแล้วแลวจะทํายังไงต่อไป คิดว่าจะเจริญกุศลได้ทั้งวันทั้งคืนไหมผมไม่เห็นคุณของกุศลจริงกุศลเนี่ยไม่เที่ยงแต่ถ้าเสื่อมแล้วเป็นยังไงนะนะพระ ม, มหากระสปะท่านรู้เรื่องนี้ดีท่านเตือนได้เลยน ะ, ะ, ะกุศลเนี่ยถ้าถ้ามันไม่เกิดจะนำมาซึ่งความชีพหายเนี่ยนะพูดตรงตรงเลยนะถ้ากุศลไม่เกิดนํามาซึ่งความชีพหายถ้ากุศลเกิดนํามาซึ่งคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะบําเพ็ญเพียรเนี่ยก็ต้องรู้เห็นคุณของกุศล เนี่ยนะแล้วรู้ว่าถ้ากุศลไม่เกิดจะมีทุกทโทษยังไงต่อไปเนี่ยนะให้เห็นคุณของอ น, นั้นเอาไว้ให้มากทีนี้การที่จะให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะกุศลจิตซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยและสติปัญญาทั้งหลายที่เกิดร่วมกับกุศลจิตกุศลแจิตเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ทีนี้อารมณ์มานั้นคืออะไรเนี่ยนะอารมณ์มานั้นก็คือวัตถุทั้งหลายที่เป็นไปตามคําสอน วันนี้ไปไปดูศัพท์อวิชชาอีกคำหนึ่งนะในในบรรดาอัดของอวิชชาสิบกว่าในเนี่ยนะอวิชชานี่มีแปลโดยความหมายนี่สิบกว่าในแต่ก็มีในหนึ่งที่ที่ชอบก็บอกว่าอาวิชชานี่ทําให้เล่นไปในหญิงในชายคือในบัญญัติว่าหญิงว่าชายซึ่งไม่มีอยู่จริงไม่ให้เล่นไปในบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงมีขันเป็นต้นขันก็เป็นบัญญัตนินะแต่ไม่เล่นไปให้เป็นขันก็ก็เป็นบัญญัตะิะ แต่บัญญัติที่นําออกจากจากกองทุกน่นนะคือคือที่พระองค์บอกว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้ก็ขันใช่ไหมเป็นบัญญัติขึ้นนะแต่บัญญัติอันนี้มีมีสภาวะรองรับอยู่จริงทีนี้ปกติเราเราคิดแบบนั้นตามตามคําสอนเหล่านั้นไหมอันพระองค์องค์ก็บอกว่าเออขอไปท่านวิเคราะห์ทราบว่ า, าวิชาคือไม่ให้เล่นไปในขันเป็นต้นอย่างที่กล่าวไปเนี่ยคื อ, อวิชา มันให้แล่นไปว่าเออนี่หญิงนะนี่ชายนะแล้ต่อด้วยหญิงชายเนี่ยนะเรื่องราวมาอีกบาลเนี่ยนะเช่นอันนะสมมตินะหมอยุพินอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เรื่องหมอยุพินนะไปอเมริกาเมื่ อ, อไรกลับยังไงอะไรยังไงนนะเรื่องนี้ยาวเหมือนั้นแต่คุยกันเป็นชั่วโมงไม่มีจบเหมือนันเนี่ยนะแต่ถ้าบอกว่านี่ขันนะอย่างเงี้ยนะซึ่งมีอยู่จริงนะตามคําสอนนี่ขันประกอบไปด้วยรูปรูปก็คือมหาพูดเป็นต้นเนี่ยนะเวทนาทั้งหลายสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณก็อาศัย มหาพูดทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเกิดเพราะฉะนั้นขันเหล่านี้นะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประนีตทั้งไกลทั้งใกล้เนี่ยถ้าใครครวรแบบนี้นะอันนี้เป็นเป็นวิชาซึ่งเป็นปฏิปักษต่ออวิชาซึ่งตรงกันข้ามต่ออวิชาเนี่ยนะแต่ว่าอวิชามันไม่ให้คิดอย่างอเนกเนี่ยนะอวิชานะมันไม่ให้คิดมันจะให้คิดแบบที่แบบไหน ก็แบบที่เราเคยคิดนี่ยแหละมันจะพาคิดแบบตรงไหนที่เราชํานาญนะคล่องๆนะมันจะพาอันนั้นแหละ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีวิเคราะห์อวิชชาอีกสับหนึ่งนี่นความหมายหนึ่งน่าสนจะชอบมากคือเขาบอกว่าไอ้ทุจริตเนี่ยนะความชั่วทางกายวาจาใจาเนี่ยควรได้ไหมจริงๆอ่ะนะควรไหมไม่ควรนะเขบอกว่าคําว่าวิชาเพราะมันให้ได้ประเภทนั้นแหละเนี่ยนะมันให้ได้ความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยคืองานของอวิชชานะมันทําให้ได้อันนั้น สุจริตทางกายวาจาใจาเนี่ยดีไหมดีน่าเอาไหมน่าน่าปฏิบัติน่าเจริญมากไหมบอกดีมากน่าปฏิบัติมากอาวิชามันไม่ให้ทําแบบนั้นหรอกอนะแล้วแล้วชีวิตเราเป็นอย่างไงไหมสมมุตินะเออคิดให้คนเป็นสุขกับคิดตําหนิคนอื่นเนี่ยนะอันไหนน่าทำกว่ากันอนะก็คิดให้คนอื่นมีความสุขน่าทํากว่าใช่ไหมคิดตําหนิไม่น่าทําแต่ว่าจริงๆล่ะ ก็มันน่าตำเหนีะน่ะอวิชชาเนี่ยพาจนเข้าล็อกเราหมดอ่ะมันก็เราก็มีาศาสดาเอกคืออวิชชาเนี่ยนะมันในสูตรนี้พระองค์ก็จะซ้อมเพื่อที่จะให้อ่การเจริญสติปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการพิจารณารูปเนี่ยนอะอ่ตั้งแต่ฟังมาหลายๆครั้งเนี่ยใครไปนั่งซักซ้อมบ้างไว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนยนะเคยคิดไหม ใครไปซ้อมบ้าง น, นนะนอนุโมทนาด้วยนะใครที่ไม่ซ้อมก็ขอแสดงความเสียใจยด้วยคือขอเจริญกรุณาดีกว่านะถ้าใช้กาเสียใจยเดี๋ยวขอแบ่งบาปกับเขาบอกขอแสดงความการุณาด้วยถามว่าทําไมเพราะว่าขันทั้งหลายที่เขาไม่ใคร่ครวญขันอันนั้นแหละจะนํามาซึ่งความทุกข์แก่เขาเป็นอย่างมากก็บอกว่าเสียงหัวเราะของปุถุชนเนี่ยคือเสียงร้องไห้ของพระริยาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่า ไอ้วัตถุใดที่เป็นที่ตั้งแห่งการหัวเราะวัตถุอ น, นั้นแหละจะเป็นที่ตั้งแห่งการร้องให้ต่อไปนั้นการหัวเราะตอนนี้คือการเริ่มร้องให้ในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ไข่ครวนในขัน5ก็ขอสแสดงกรุณาไว้ด้วยเพราะว่าขันที่ที่ไม่ไข่ครวนขันอ น, นั้นแหละจะนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่น้อยใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดก็ทุกอะไรก่อน ทุกใจก่อนนะแล้วก็มันจะเริ่มทุกอย่างอื่นติดตามมาอีกมากก็ขันทั้งหลายที่ไม่เข้าไปพิจารณาไม่เข้าไปไข่ครวนตามคาสอนนี่นะแต่เรายังก็ยังเกี่ยวข้องกับขันเหล่านั้นอยู่ดีใช่ไหคือถึงไม่พิจารณาถามว่าเลิกเกี่ยวข้องกับขันไหมไม่เลิกเมื่อไม่เลิกเกี่ยวข้องกับขันเหล่านั้นด้วยกุศลหรืออกุศลนะก็ขึ้นต้นก็อกุศลไหมอกุศลนี่เป็น อปุญญาพิสังขารเนี่ยนะอา o, cards, iles, ิสังขานนี่แปลว่าต no ัวท <eeee> ี่สร้างวิบากและกรรมชรูปทีนี้สิ่งที่สร้างวิบากกรรมชรูปกลับไม่ใช่บุญนะเขาบอกว่าบุญเนี่ยยังพบที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่บุญนะยังพบที่น่าตําหนิให้เกิดขึ้นดนั้นก็สร้างวิบากกรรมชรูปด้วยเจตนาที่ไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นปฏิสนธิก็ยังลงในที่ที่ไม่ใช่บุญเนี่ยนะ ก็ที่ไหนบ้างก็เลือกเอาไนงะชอบแถวแถวไหนก็คือเดราชาเนี่ยพระสะปอร์ตทำไม่ยากทำง่ายมากของพระทำยาก